วานหลวงพ่อไปงานครบรอบหลวงปู่จันสมกิติกาโรวัดป่านาศีดาท่านมรณภาพแล้วก็พระทธทานเพิงหลวงปู่จันสมเมื่อหกปีให้หลังปีนี้เป็นปีที่หกปีที่แล้วหนึ่งเราพกนักสิทธ หลวงพ่อในองค์หนึ่งเป็นผู้ร่วมในการสร้างเจดีหลวงปู่จันสมแต่เมื่อปีที่แล้วมันงานเจอ ก, กันกับงานของหลวงตางานหลวงตาในวันพระราชทานศรีละของหลวงตาในวันที่วันที่ห้ามีนาคมพอหลวงพ่อเสร็จวันที่หกหลวงพ่อก็มาที่กลับมาวัดก็ทราบว่า องผูจนสมจะมีการทำบุญฉลองเจดีปีที่แล้วหลวงพ่อก็เลยแวะเข้าไปเอาจตุปัจใจไปถวายท่านในงานของท่านวันที่หกวันที่หกสวดมนต์เย็นวันที่เจ็ดตักบาตรเช้าปีที่แล้วนะแต่ปีนี้วันที่เจ็ดเป็นวันมาฆบูชาเขาก็เลยล่นลงมาเป็นวันที่สาม วันที่สามีนาปีนวันที่สามมีนาพุทธศักราชสอง5ันห้าร้อยห้าสิบห้ามีการสวดมนต์เย็นเมื่อวานเนี่ยโลวงพ่อก็ไปสวดมนต์เสร็จแล้วก็ได้เป็นองค์แสดงธรรมเทศเมื่อคืนนี้กันหนึ่งที่งานวัดของปู่จันโสมรู้สึกว่าพระสงฆ์เยอะนะพระมากแต่พี่น้องประชาชนโดยมากเป็นแต่คนในท้องถิ่นวันนี้ตอนเช้าน่าะคงจะมาจาก ต่างอำเภอต่างจังหวัดมาตักบาตร ท, ทาบุญตักบาตรแต่เมื่อคืนมีตั้งแต่คนท้องถิน่นแต่วันนี้เป็นวันที่สแล้ววันไง ว, วันที่สแล้วก็วันที่เจเป็นวันมาค้าบูชาหนะ้าผูกก้อนเขามีจดหมายกราบเรียนหลุงพ่อมาเนี่ยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันมาค้าบูชาณวัดป่าภูกก้อน บ้านนาคำใหญ่อําเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีในวันพุธที่7มีนาคมพุทธศักราช2555คณะสงฆ์และพุทธบริษัทพร้อมกันณนะพระวิหารผู้ที่จะขึ้นไปผูกก้อนก็ไปได้นะวันที่7แต่หลวงพ่อในวัดของเราเนี่ยก็คงจะตามปกติตอนเช้าเมื่อฉันจะหันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็คงจะขึ้นไปผูก้อน อย่างทุกครั้งแต่คงจะไปก่อนไม่ได้เพราะวัดของเราก็มีญาติโยมมาเยอะวันมาค้าบูชาจะหนีจากวัดไม่ได้ละเพราะนั้นเราต้องทำพิธีกรรมในวัดของเราให้เรียบร้อยสะก่อนศรัทธาญาติโยมมาวัดไหวพระรับศีลที่นี่สักก่อนแล้วยังคอยขึ้นไปภูก้อนไปเวลาไหนก็ทันเวลานั้นถ้าเขาคอยนะท่านท่านไม่คอยก็ไม่เป็นไรให้ท่านทาไปก่อน หลวงพ่อจะค่อยตามไปที่หลังนะและนักศึกษาสมโมสร น, นักศึกษาแพทย์ศิริราชนะอันนี้ก็จะมาบวชปีนี้อีกนักศึกษาทั้งหลายก็คงจะมาเก้าคนสรุปแล้วแล้วก็ผู้ติดตามอีกสิบคนี่จะมาบวชมาอุปสมบท ว, วันที่ยี่สิบห้ามีนาคมแต่จะมาถึงวันวัดของเราวันที่สิบเจ็ด วันที่สิบเจ็ดมีนาคมหลวงพ่อดูๆแล้วนักศึกษาแพทย์ที่ผ่านผ่านมาอันนี้เป็นปีที่หกปุ๊บปีที่หกหนปีเท่าไหร่หลวงพ่อก็จําไม่ได้แต่ว่าบางเว้นบางปีเขาเว้นปีปีก่อนเว้นไปบวชที่อื่นปีที่แล้วมาที่นี่ปีที่มาที่นี่อีกรวมแล้วติดต่อกันหลายปีอยู่ชงหลังๆแต่ที่ทุกปีที่ผ่านมาพอมาถึงแล้วก็ นักศึกษาก็รู้สึกว่าชั้นปัญญาชนเป็นผู้มีความรอบคอบอยู่แล้วพอเข้ามาบวชท่องเอสาหังหลวงพ่อก็ไม่หนักใจถามพระก็ไม่หนักใจพเพราะก็ได้มาหมดแล้วเอสาหังพันเตสุจริระปรินิบุตัมปีนคล่องแคล่วเลยเหมือนกับเคยบวชมาก่อนลักษณะอย่างนั้นเพราะว่า i อพวกนี้สูงมากและความจาของเขาเก่ง พออาจารย์ให้ไปท่องเนี่ยเขาก็ท่องม า, าก็มารวมกันท่องพร้อมใส่กันทั้งสิบนาทั้งเก้านาทที่ว่ดบางปีปีนั้นตลาดมันสิบแปดบางปีแรกนะแต่หลวงพ่อจะไม่ผิดแต่ก็รวมทั้งผู้ติดตามด้วยแต่ปีนี้ผมยังไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีผู้ติดตามหรือว่าผู้ที่มาสมทบบวชในวันนั้นอีกแต่เฉพาะนักศึกษาก็ก้าวโผ แต่พอมาบวชแล้วก็ดีไหมก็รู้สึกว่าที่ผ่านๆมาไม่มีปัญหานะไม่ได้มีปัญหากับวัดเราคือทุกคนนาคทุกคนหรือว่าพระใหม่ทุกองคก็เป็นผู้ตั้งใจเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นเป็นคนที่ชั้นปัญญาชนของประเทศอยู่แล้วที่จะสอบเข้าสิธีราชได้แต่บางนาค บางคนก็โอ้พอมาบวชแล้วก็ซึ้งในจิตในใจบางคนก็นั่นอยากปฏิบัติต่อไปแต่ถึงยังไงหลวงพ่อจะเป็นผู้ใดก็ตามลูกหลานผู้ใดก็ตามมาบวชในวัดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะไม่ชักชวนให้เขาอยู่ตลอดถึงเขาบวชเข้ามาแล้วอยากจะอยู่ตลอดหลวงพ่อก็ยังไม่ยังไม่ให้ พ่อลงพ่อว่าให้กลับไปคิดให้ดีซะก่อนพ่อจะเสียอนาคตของเขาจะเป็นข้าราชการก็ตามเป็นข้าราชการทำงานมาแล้วก็ตามพอบวชแล้วอ ย, อ, ยอยากจะอยู่ไปต่อไปเนะี่ยหลวงพ่อจะยังไม่ให้อยู่เว้นเสียแต่ว่าลาออกจากการจาก ง, งานแล้วก็อื่ออันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่ายังทำการทำงานอยู่แต่มาติดใจในรถพระธรรมอยากจะอยู่ต่อไป หลวงพ่อจะห้ามไว้ก่อนให้ออกไปชบทวนไปพิจารณาการกรองให้ครั้งหนึ่งซะก่อนเพราะบางครั้งหลวงพ่อดูแล้วในขณะที่มาปฏิบัติธรรมจิตได้รับความสงบเยือกเย็นก็คิดว่ามั่นใจแต่พออยู่ไปนานๆศรัทธาตัวนี้นะ่ะศรัทธาในใจของเรานมันถอย พอมันถอยขึ้นมาแล้วเราก็อยู่มาหลายปีก็เสียอนาคตของเขาอีกเลยกระทาให้เขาได้ตําหนิงพระพุทธศาสนาและตําหนิงพระอย่างหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้านได้ชักชวนให้เขาอยู่แต่ถ้าว่าอยู่ได้ตลอดไปก็ไม่ว่ากันถ้าอยู่ได้ตลอดไปก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเขาแต่ถ้าว่าออกไปแล้วไปทําการทํางานแล้วหรือเรียนจบแล้วอยากจะมาบวชเลย หลวงพ่อไม่ว่าพอจบแล้วเข้ามาบวชก็ไปว่าทุ่มอย่างสุดๆดได้หรือเสียก็ยังค่อยว่ากันแต่บางคนได้ตลอดอยู่ตลอดไปก็มีมากแต่บางคนก็พอมาอยู่แล้วก็เกิดศรัทธาไม่ใหม่ศรัทธามันขึ้นมันลงได้นะมันเสือเส่อมเสื่อมศรัทธาได้มันเกิดได้ศรัทธานในขณะที่มันเกิดมันก็อะไรก็ได้ จะทํามีความมุ่งมั่นแต่พอมันหมดศรัทธาเนี่ยอะไรมันก็เอเหมือนกับเกี่ยวหวานลักษณะอย่างนั้นน่ะเอเกี่ยวมันหวานมันหมุนไม่ติดนะจากนั้นลนะ่ะมันจะทําใหเ้เสียทั้งผูกเกี่ยวข้องเสียพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมเสียทั้งครูบาอาจารย์ด้วยเถิดเพราะว่าบางคนก็เป็นคนบุคคลสําคัญหลวงพ่อเคยได้ยินเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงยึดตัวนี้เป็น ไว้ในใจอยู่เสมอคือบางคนคราชการทำงานมายังไม่ได้บำเห น, น, น็จบำนาญนะพอทำมาครึ่งๆกลางๆเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยากจะบวชแต่ครูบาอาจารย์ก็มาในห้ามเอาไว้ไม่ได้ห้ามไม่ได้บอกเออเอาบวชก็บวชเข้ามาปฏิบัติธรรมพอเข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ได้ปีสองปีนั่นะพอเข้ามาแล้วมันไปเจอมาเจอวัด มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชกีบดอกกุหลาบใะแล้วอพอมาเจอก็ไม่รู้ว่ขวากไม่รู้ว่น้ำไม่รู้ว่าสิ่งแวดล้อมอะไรต่อไม่อะไรทําให้ไม่ผาสุกเลยนะเพราะตัวเองคาดหวังคาดหมายไว้สูงมากที่จะมาบวชมาบวชคนที่เขามาบวชต้องเป็นผู้หมู่มันเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้หวังพ้นทุกข์โวยการทุกคนคงจะไม่มีปัญหาอะไรลักษณะอย่างนั้นพอเข้ามาที่ไหนได้ ไอความคิดตัว น, นั้นมันกลับตรบัดไปเสียแล้วก็ทําให้จิตใจของผู้เข้ามาเนี่ยท้อแท้อ่อนแอเท่ไงบวกเปียกก็จะกลับไปเป็นขฆาชการอย่างเก่าคบไปไม่ได้เพราะลาออกมาแล้วจะทํำยังไงนี่อันนี้ก็เคยได้ยินหลวงพ่อเคยได้ยินเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ค่อยส่งเสริมพวกที่เข้ามาเข้ามาบวชต้องกลับไปคิดให้ดีซะก่อน แต่ถ้าคนมีบุญวาดสนาบารมีคนที่มีบุญวาดสนาบารมีมันจะสุกงอมแล้วแต่ถึงยังไงเหมือนกับมะม่วงเนะ่ยมันอยู่ในต้นของมันมันสุกเหลืองแล้วนะอไม่ให้หล่นมันก็ต้องหล่นเอาไมา้ค้ำไว้มันก็หล่นมันถึงกําหนดมันอันนี้ก็เหมือนกันเป็นข้าราชการหรือระดับไหนก็ตามถ้ากว่าปุ่นบารมี ที่จะมาปฏิบัติธรรมหรือว่าหาทางพ้นทุกข์ได้แล้วเน่มันอยู่ในใจของเขาเอาอยัางไงมันก็ไม่อยู่มันสุขงอบมันพร้อมที่จะหล่นมันพร้อมที่จะอยากจะพ้นทุกข์เห็นโทษในการเป็นอยู่จากนั้นก็บําเพ็ญทางด้านจิตใจก็พร้อมที่จะไปได้อันนั้นคือบุคคลเช่นนั้นเราก็คงปล่อยแต่ถ้าว่าสุขๆหามหาม บางทีก็มีศรัทธาบางทีก็ถอยหน้าถอยหลังอันนั้นเราจะไปเล่นกับกลุ่มนั้นไม่ได้เราต้องให้เขาทบทวนดูก่อนกลับให้ทบทวนดูหลายๆเที่ยวหลายๆครั้งมั่นใจไหมทำมั่นใจเออมาเข้ามาพอเข้ามาเนี่ยผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นทางฝ่ายอุบาสิกาทางฝ่ายชีก็ตามจบขาวดาก็ตามที่ลา ง, งานออกมาเนี่ย เรือกว่าเป็นพระสงฆ์สมณีนก็ตามที่เข้ามาอยู่ในวัดวาศาสนาา์หรือจะเป็นชีตาภรขาวก็ตามถ้าเข้ามาแล้วถ้าหากว่ายังยึดมั่นว่าตัวเองเป็นบุคคลสําคัญอยู่พวนั้นจะไม่ได้รับความผาสุกทั้งด้านจิตใจพูดอย่างนั้นได้ถ้าเข้ามาแล้วต้องปล่อยตัวหรวอว่าตัวเหมือนกับผ้าขี้ริ้วเหมือนกับแผ่นดินอะไรก็ได้ ใครจะว่ายัางไงกับปากของเขาแต่เรายึดมั่นในธรรมคาสอนของรพระพุทธเจ้าเรื่องสมาธิเรื่องปัญญารพระพุทธเจ้าให้ปล่อยวางอย่างไรให้เห็นอย่างไรให้หยึดมั่นอะไรให้หยึดอะไรเป็นหลักให้หยึดคุณงามความดีให้หยึดธรรมให้หยึดธรรมเข้าสู่เข้าสู่จิตใจ เ, เรื่องโลกเนะี่ยเราไปที่ไหนเราไม่รู้จักหมาหมาก็ยังมาเห่าเราเออเพยเผยหมาเลี้ยงอยู่กับเรามันยังกัดเรา เพราะ่านสัตว์ในโลกมนุษย์คือจิตใจของหมาของมนุษย์ของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมันเป็นไปได้ทางนั้นมันลว้ล ว, ลวนแล้วแต่เป็นมีเวรมีภัยอยู่ในโลกวัฏสงสารถ้าเราเรียนรู้เรื่องของพุทธศาสนาเรียนรู้เรื่องของกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงแล้วเราจะรู้ได้ทั้งหมดเลยทั้งเขาทั้งเราเพราะนั้นเราเข้ามาอยู่เราจะเอาอยัางไงจึงจะหลีกยังไง จีรีก ล, ลีดยังไงจะหลบปลีดยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตการอันให้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องใช้ปัญญารู้จักหลบรู้จักกลีดแต่ถ้าว่าเราแบบเดินแบบซื่อบือ่อถ้าไปเจอจอมปวกมันมาไปไม่ได้ต้องขุดจอมปวกซะก่อนเดินไปไปเจอกอไผ่ก็ต้องตัดต้นไผ่ให้เตียนซะก่อนถ้าไปเจอ ทางน้ำคลองน้ําก็ต้องหาดินมาถมอให้มันเต็มคลองซะก่อนยังค่อยเดินพวกเราคิดดูสิถ้าเราจะเดินเป็นหนึ่งกิโลเนี่ยอมันจะถึงไหมกี่ปีกี่เดือนมึงจะจะถึงได้ถ้าเรารู้จักหลบน่ยถ้าเห็นต้นไม้แล้วก็เลีกไปข้างซะถ้าเห็นกอไผ่ล้วก็หลบไปข้างซะถ้าเห็นไม้เห็นน้ําคลองน้ำํำเราก็ลุยลงไปในน้ําขึ้นไปเดินต่ออีกถ้าเราเดินอย่างนั้น่ะเราจะถึงจุดหมายปลายทาง แต่ถ้าว่าเจออะไรก็ต้องปราบให้ราบคาบซะก่อนยังค่อยไปไงไม่ไปไม่ถึงไหนแร้วอันนี้ก็เหมือนกันเออมาอยู่ด้วยกันทะเลาะกันก็ปราบเขาซะก่อนให้เขาพังราบซะก่อนตัวเองยังค่อยปฏิบัติธรรมไปเจอคนนั้นอีกปราบคนนั้นอีกเอยังค่อยปฏิบัติธรรมมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเอจัดการปราบซะก่อนตัวเองยังค่อยปฏิบัติธรรมหลวงพ่อว่าตายเปล่าะ ชาตินั้นตายเปล่าไปไม่ถึงไหนถ้ารู้จักหลบรู้จักกลบเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าทำตนเหมือนผ้าขี้ริ้วห่อทองห่อทองรือทองคาคือในใจของเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารแต่ข้างนอกเนี่ยเราอย่าไปถือเขาจะดา่าเขาจะว่าอย่างไงแต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดในขณะที่อยู่ในหมู่ในคณะ ให้เป็นผู้สำรวมระวังระวังปากระวังปากระวังการกระทำระวังใจของตอนเองเอโบราณท่านบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรกับเพื่อนกับฝูงให้ระวังวาจา อ, อันนี้มาพิจารณาดูแล้วมันก็ถูกต้องนะถ้าอยู่คนเดียวคิดปรุงฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็จะเป็นบ้า ถ้ามามาอยู่กับมูกับเพื่อนพูดพร่ำไปหมดเอเดี๋ยวก็พูดผิดพูดถูกก็ทําให้คนอื่นหนัก อ, อกหนักใจกับเราอีกเพราะฉะนั้นให้ระวังวาจาการที่จะพูดอันไหนออกไปก็ให้ลบมัดระวังในคําพูดของตนเองนี่แหละการอยู่ด้วยกันการอยู่เป็นหมู่เป็นคณะถ้าพวกเรารู้จักหลบรู้จักกลีกรู้จั ก, กวางตัวอยู่นสถานที่ใดร่มเย็นเป็นฉุกไปหมด แต่อยู่ที่ไหนไม่รู้จักวางตัวนะมันขวางเขาเพราะขวางเขาเราก็ขวางเราผลในสุดก็หาความพาสุขไม่ได้อันนี้นะขอพวกเราทุกๆท่านนะไปอยู่นสถานที่ใดให้รู้จักให้รู้จักการวางตัวให้รู้จักตัวเองเรามีจุดมุ่งหวังอะไรเราจะแบกทั้งโลกเราจะจะให้คนทั้งโลกดีทั้งทุกคนซะก่อนเราจึงจะหาทางภาวนาอย่างนั้นใช่ไหม ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่คิดอย่างนั้นกัแบแปลว่าคิดแบบโง่ๆเพราะพุทธเจ้าไม่ให้คิดอย่างนั้นเพราะพุทธเจ้าเป็นบรมคูเป็นผู้รู้แจ้งโลกแ ท, ท้ๆท่านยังบอกว่าคนดีเหมือนกับเขาโคคนชั่วปะปนกันกับคนไม่ดีคนดีคนไม่ดีะระดับต่ําเหมือนกับขนโคแต่คนดีจริงเหมือนกับเขาโคพวกเรานับดูเขาโคมีกี่เขาสองเขาฮะ แต่ขนโคล่ะเป็นล้านล้านไม่กี่มันโลกกี่ล้านเช่นใครจะไปนับได้ขนโคมันเยอะเหลือเกินฮนะอไม่มีแต่เล็บของมันทนะ่ะไม่มีขนกับจมูกของมันเนทะ่าน่ะนอกนั้นไปว่ามีขนเกือบหมดนะมันมากขนาดไหนนี่แหละอันนี้คนคนไม่ดีคนที่ติดข้องอยู่ในโลกเหมือนกับขนโคคนที่จะหาทางพ้นทุกออกจากโลกเหมือนกับเขาโคน่ะ เพราะนั้นพวกเราจะเป็นเขาโคและเป็นขนโคลุดแท้แต่จะให้คนนั้นไอ้คุณเป็นขนโคนะก็ได้จะตีปากกันอีกเอาไปมาเลยเป็นขนโคด้วยกันทั้งหมดฮถ้าเป็นเขาโคแล้วาจต้องเน่งดูใจของตนเองใจของเราหลงอะไรหลงร่างกายใช่ไหมร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราร่างกายของเราแท้แท้อีกสักวันหนึ่ง มันจะต้องตายมันจะต้องสลายมันจะต้องออกไปเผาไฟทิ้งขนาดร่างกายของเราแท้ๆออกมาจากท้องแม่แท้ๆยังไม่ใช่ของเราเราจะไปยึดส่วนอื่นคนอื่นเงินคําทรัพย์สมบัติลดฐานบรรดาศักดิ์ว่าเป็นของเราได้ยังไงใจใจใจดูใ จ, ใ จ, ใ จ, ใจพอจากนั้นใจก็รู้สึกว่าพูดคิดต่หลายครั้งต่อหลายหนก็เกิดความเบื่อหน่ายทาย ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ได้ผลที่สุดขนาดใจก็ยังเป็นอนัตตาใจของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราอีกมันจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกขสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะขนาดใจมันก็ไม่เที่ยงใช่หรืคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ปรุงอย่างนั้นปูุงอย่างเอาคิดเรื่องนั้นเข้ามาเป็นที่พอใจกับพองตัว คิดเรื่องนั้นเข้ามาไม่เป็นที่พอใจโมโหบางทีได้ยินเสียงพอใจมากเปิดดีใจถ้าได้ยินเสียงที่มัดีใจโมโหตาไปเห็นรูปเป็นที่พอใจก็ดีใจถ้าตาไปเห็นรูปไม่พอใจกับโมโหมันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดมันจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรใจของเราเนี่แหละใจให้มันขึ้นมันลงมันไม่สแตนดาร์ดมันไม่นิ่งะ แต่ถ้าว่าใจเนิ่งแล้วทำใจให้หนึ่งปล่อยวางหมดแล้วใจจะเนิ่งพอใจนิ่งแล้วนั้นจะถึงมักถึงผลและวท่นี่นะวันนี้ก็ให้แนวความคิดแล้วก็บอกกล่าวเกี่ยวกับนักศึกษาที่จะมาบวชวัดเราวันไหนพวกเราที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับปูรับทราบ พ, พร้อมกันอ่ตอนนี้ไปคณนะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร